องแห่งปาราชิกสิกขาบทที่สอง2ภิกษุผู้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ต้องอบัติปาราชิกด้วยอาการ5อย่างคือ 1. ทรัพซับมีผู้ครอบครองสําสำคัญว่าเป็นซับที่มีผู้ครอบครองทรั 3. ซับมีค่ามากราคาห้ามาศหรือเกินกว่า5้ามาศสก 4. มีทยจิต ปรากฏ 5. ภิกษุจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตถุละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิก